บุ๊ก <Book> 2เจ็ดิชอบอยากาคุณอยากสูบบุหรี่ไหมคุณอยากเต้นรำไหม คุณอยากไปเดินเล่นไหมผมอยากจะสูบบุหรี่คุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมเขาอยากได้ไฟแช็คผมอยากดื่มอะไรหน่อย Я хотела чаго-небудь бы ผมอยากทานอะไรหน่อยผมอยากพักผ่อนหน่อยผมอยากถามอะไรคุณหน่อย е л а бы нечто у вас спытать ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยผมอยากจะเลี้ยงคุ ณ, ค, ณคุณจะรับอะไรดีครับคุณจะรับกาแฟไหมครับ หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Abu Amri Pharbat เราอยากจะขับรถกลับบ้าน ค, คุณต้องการรถแท็กซี่ไหมพวกเขาอยากโทรพทรศัพท์